ทุกคนฝ่ายเชษฐายิ้มและทักทายตอบด้วยความยินดีอรชุนส่งมือทั้งสองไปที่เชษฐาก่อนและเมื่อท่านหัวหน้าคณะยื่นมือไปจับกระฝ่ามือใหญ่แข็งแรงนั้นอรชุนได้รวบประคองไว้ได้อุ้งมือทั้งสองข้างของตนพร้อมกับน้อมศีรษะลงน้อยๆเชิงคาราวะและได้เข้ามาสัมผัสมือกับอนุชาชายยันตามลำดับ สำหรับดารินนั้นขุนพลเท่าผู้บัตดนี้กำอำนาจทหารเต็มไว้ในมือได้กม้มศีรษะต่ำลงไปอีกและยิ้มให้ด้วยความเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษออกไปมีอะไรหลายๆอย่างในแววตาของอรชุนที่เหมือนจะเอ่ยพูดกับหลอนออกมาแต่ไม่ปรากฏเป็นท้อยคำนอกจากย่อรอยยิ้มละไมยอยู่เช่นนั้น ดีใจเหลือเกินที่เห็นท่านอีกครั้ง อ, อรชุนแล้วเมื่อเห็นท่านแล้วเราก็อดที่จะนึกไปถึงท่านกุฎธรรมไมิได้เชี้ยเอ่ยขึ้นทางฝ่ายเราได้ทราบแล้วว่าท่านได้นําทหารไปรอรับพรานใหญ่ระพินณนะตําแหน่งต้นทางของถนนพระศิวะในขณะที่เมยานีอันเป็นบุตรสาวของท่านไปรอรับฝ่ายเรายัางส่วนกลางของถนน เรามาถึงพระนครเมื่อเที่ยงของวันวานและพวกที่ท่านไปรับได้มาถึงตอนเที่ยงคืนเช่นนั้นไม่ใช่เหรออรชุนก้มศรีรษะลงอีกครั้งท่านคงได้ทราบความจริงโดยตลอดแล้วเพราะเมื่อใกล้รุ่งนี้พรานใหญ่ระพินได้มาเยี่ยมคํานับพวกท่านที่ปราสาท พ, พักแห่งนี้ข้าได้เร่งการเดินทางโดยตลอด เพื่อจะนำฝ่ายของพรานใหญ่ระพินเข้าถึงราชฐาน ม, มรกฎนครในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับพวกท่านให้มากที่สุดเพื่อจะให้ทั้งสองฝา่ายได้มีโอกาสพบปะกันโดยเร็วตามพระราชประสงค์ของจั ก, กราธิราชพวกเราขอขอบใจท่านทุกคนอย่างที่สุดที่การต้อนรับเสมอญาติสนิท โดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยและยังได้จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้โดยที่เราทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนเลยอนุชากล่าวขึ้นบ้างพร้อมกับอาการหัวเราะเบาๆอะและนี่ท่านอรชุนมีภารกิจอันใดกับพวกเราละกระมังถือกระแสรับสั่งของจักรราชหรือเมยานีมายังเราเช่นนั้นหรอค่ะอรชุน มีความประสงค์ทางด้านส่วนตัวประการแรกที่จะได้มาคำนับเยี่ยมพวกท่านทุกคนสะกก่อนในเช้าวันนี้เป็นการส่วนตัวเพราะเหตุที่ว่าทันทีที่ท่านเยียบเข้าแผ่นดินมรกฎนครน่ะข้ามีภาระหน้าที่จะต้องแยกไปต้อนรับทางฝ่ายของพรานใหญ่ระพินและโดยกระแสรับสั่งของราชินีเมยานีที่ข้าได้รับมอบหมายมาด้วยก็คือ ให้มาเชิญพวกท่านทุกคนไปยังทองพระโรงอันเป็นที่ว่าราชการแผ่นดินซึ่งบัดนี้พรานใหญ่ระพินและพวกเขาทั้งหมดที่มาด้วยกันได้ไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วเพื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะได้พบปะกันพร้อมหน้าหมดทุกคนนี่ยังไงล่ะหมายกำหนดการที่เรารอกันอยู่ชายันอุทานออกมา เดี๋ยวก่อนท่านพุทเท่าอราชุนเชืถาพูดขึ้นเบาๆเราว่าจะไม่ถามท่านแล้วล่ะแต่ก็อดที่จะต้องถามใช่ไม่ได้ท่านหมายถึงว่าฝ่ายของเราก็ฝ่ายของพรานใหญ่จะไปพบกันที่ทองพระโรงว่าราชการแผ่นดินเฉพาะพระพักของจักราธิราชยังงั้นเหรอพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นด้วยหรือยังไง อรชุนยิ้มน้อยๆพลางสันศีสษะแช่มช้าหามิได้มหากรศัตร า, ร า, ราิราชาเจ้าขนาดนี้มิได้ประทับอยู่ในราชฐานมรกฎนครเป็นเวลานานแล้วแต่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งราชินีเมยานีให้สำเร็จราชาการแผ่นดินทั้งสองท่านของเห่าท่าน ทั้งสองฝ่ายของเหล่าท่านจะได้พบกันในท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งก็จริงแต่เบื้องพระพักของพระราชินีเมญานีอันเป็นผู้แทนพระองค์เป็นการชั่วคราวก่อนหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจึงจะได้รับพระบรมมราชานุญาตให้เดินทางร่วมกันไปเฝ้าองค์จั ก, กราธิราชได้ยังสถานที่ซึ่งพระองค์ประทับอยู่อย่างเป็นความลับ อันยังไม่อาจจะเปิดเผยได้ในขณะนี้เอาเมื่อท่านได้ทูกนำไปถึงแล้วท่านจะได้รู้ได้เห็นเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของความเหมาะสมดีงามทั้งสิ่งจะไม่มีลับลมเลนสนาหรืออันตรายใดๆต่อฝ่ายใดทั้งสิ่งและทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นพระประสงค์ของจักราธิราชเจ้าทั้งสิ่ง หาได้เกิดขึ้นจากตัวข้าเองหรือราชินีเมญานีไหมขออย่าได้มีอะไรคลางแคลงใจไปเลยทั้งหมดมองตากันเองอยู่ไปมาแล้วเชถฐาก็ตัดสินใจในทันที่ะตกลงท่านพุ้เท่าอราชุนพวกเราก็เฝ้ารออยู่ตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วว่าทางฝ่ายมรกฎนครจะมีหมายกำหนดการจัดสรรให้กับเรายังไง ทางด้านเราเองก็อยากจะได้พบปะกับอาคันตุ ก, กะผู้มาเยือนใหม่ขณะนี้ก่อนอื่นก่อนเรื่องอื่นใดเหมือนกันขณะนี้พวกเขาทั้งหมดไปรออยู่ที่ท้องพระโรงแล้วอย่างนั้นเหรอถูกต้องนายใหญ่อรชุนเอ่ยเรียกสรพ น, นามของเชษฐถาเช่นเดียวกันแง่ทายและชาวมรกตนครทุกคนเหมือนเช่นที่เคยเรียกในครั้งกระโ น, น้น สุกรีได้เป็นฝ่ายนำทหารไปเชิญพวกอาคันตุกะชุดใหม่ล่วงหน้าไปรอฝ่ายท่านยุก่อนแล้วสวนเราก็ได้อาสาแทนบุคคลอื่นที่จะมาเชิญพวกท่านด้วยตนเองเพราะอยากจะมีโอกาสได้พบเห็นสนทนาก่อนด้วยตามที่ได้บอกไว้แล้วอ่ะทั้งนั้นก็แปลว่าทั้งฝ่ายอาคันตุกะใหม่ของท่าน ก็คงจะรู้ตัวกันล่วงหน้าแล้วสินะว่าในการมุ่งมาถึงมรกณครณครั้งนี้มีพวกเราอีกคณะหนึ่งได้มาถึงในเวลาเกือบจะใกล้เคียงกับพวกเขาและตอนนี้ก็กําลังจะได้พบกันดรินถามขึ้นเป็นประโยคแรกใช่แล้วนายหญิงพวกเขาทั้งหมดได้รู้ตัวกันแล้วว่าจะได้พบกับพวกท่านโดยไม่คาดคิดมาก่อนเป็นการรู้ตัวเมื่อเช้านี้เอง และพวกเขาก็มีความตื่นเต้นยินดีที่จะได้พบแล้วได้จัดให้ฝ่ายเขาไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วแล้วอรชุนก็หัวเราะเบาๆออกมาอีกครั้งดวงตาที่ยังใสคมกริบมองจับมาที่ดารินด้วยประการเมตตาปราณีแล้วผู้ที่ยินดีที่สุดถึงกับกระโดดโลดเต้นโห่ร้องก็คือบริวารสีคนของพรานรพิน พวกนี้นะ่ะพยายามซักถามคนของเราว่าพวกของหนายหญิงพักอยู่ที่ไหนอยากจะพุ่งตรงมาหาซะ ก, ก่อนแต่ทหารของเราได้ปกปิดพวกนั้นไว้และจัดให้เดินทางตรงไปยังท้องพระโรงใหญ่ซะ ก, ก่อนดารินพลยยิ้มออกมาด้วยอย่างดีใจเชษฐากล่าวขอตัวกระออรชุนชั่วขณะเพื่อเตรียมตัวอะไรบางอย่างแล้วบอกทุกคนให้กลับเข้าไปในห้องที่พัก กระซิบบอกให้เข้าใจว่าสัมภาระทั้งหลายให้ตั้งกองไว้อย่างเดิมแต่ละคนจะเอาติดตัวไปเฉพาะอาวุธปืนประจำมือและเป้หลังประจำตัวเท่านั้นเพียงครู่เดียวก็กลับออกมาอย่างออรชุนแจ้งให้ทราบว่าทั้งหมดพร้อมที่จะออกเดินทางได้แล้วม้าเตรียมไว้พร้อมสับแล้วสำหรับคณะเจ้านายสี่คน ส่วนนอกนั้นสมัครใจที่จะเดินไปด้วยเท้าแม้แต่ขยินและหนานอินทั้งหมดจึงเคลื่อนขบวนออกจากปราศาสตร์ที่พักหลังอุทยานเพื่อตรงไปยังบริเวณมหาปราศาสตร์อันเป็นที่ว่าราชการแผ่นดินซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของบริเวณสนามไชยเป็นบริเวณพระราชฐานชั้นนอกถ้าจะวัดเป็นระยะทางเดินก็ไม่น่าจะห่างเกินสองกิโลเมตร หรือหนึ่งไมล์เสรศษเศษ จ, จากบริเวณอันเป็นที่พักในขณะนี้ขบวนจึงมีทั้งที่นั่งไปบนหลังม้าและเดินเท้าไปเป็นหมู่ซึ่งเคลื่อนที่ไปในสภาพการเดินปกติไม่ถึงกับริ่งร้อนนักดารินนั้นภายหลังจากขึ้นหลังม้าและเริ่มต้นเดินเป็นขบวนกันไป หล่อนก็พยายามบังคับม้าที่ขี่อยู่ให้เบียดแทกม้าของพรมเมฆห่างออกไปทางซ้ายแล้วม้าของตอนเองก็เบียดเข้ามาเดินชิดอยู่กับม้าขุนพลอรชุนซึ่งเหาะเดินนำขบวนอยู่เพื่อหาโอกาสสักถามสนทนาด้วยเพราะในการพบปะก่อนหน้านี้หล่อนยังไม่สามารถจะสอบความอะไรได้มากนะักอรชุนนั้นเมื่อชายหางตาเห็นม้าของดารินเบียดแทกเข้ามาชิด แล้วเหาะเดินไปคู่กันก็หันมายิ้มให้แล้วกล่าวขึ้นก่อนอย่างผู้ใหญ่ที่ใจดีซึ่งเคยมีความผูกพันใกล้ชิดมาก่อนในอดีตดูคล้ายนายหญิงจะมีอะไรร้อนรนกระวนกระวายใจอยู่ภายในอ่ะดารินสั่นสีสษนน้อยๆยิ้มตอบฉันไม่ได้มีอะไรร้อนรนหรือกระวนกระวายใจอะไรสักอย่างหรอกท่านลุงอรชุน หอนเรียกขุนพลเท่าอารชุนเสมอด้วยญาติผู้ใหญ่อย่างสนิทสนมเพียงแต่ว่าระหว่างระยะทางที่เราจะมุ่งไปยังท้องพระโรงอันเป็นกำหนดที่หมายนี่ฉันอยากจะสนทนากับท่านลุงบ้างหวังว่าท่านลุงคงจะไม่รังเกียจหรือขัดข้องนะข้ามีแต่ความปิตีติยินดีที่มรกรกนครได้มีโอกาสต้อนรับนายหญิง และคณะทุกคนอีกครั้งมีอะไรที่จะต้องรังเกียจหรือขัดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าจะรับใช้ได้ท่านลุงเป็นฝ่ายไปดักรอรับการไต่าทางขึ้นมายังหัวถนนพระศิวะของพรานใหญ่ระพินอย่างนั้นใช่ไหมดารินเริ่มแสวงหาข่าวทันทีในรูปแบบชวนคุยพวกเขาขึ้นมาถึงหัวถนนพระศิวะเวลาใดละ่ะท่านลุง อรชุนยิ้มกว้างอีกครั้งเวลาตะวันตรงสีสักเมื่อคณะของพรานใหญ่ไตทางขึ้นมาถึงซึ่งก็น่าจะเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ฝ่ายของนายหญิงเหยียบขึ้นถึงกลางถนนพระศิวะนั่นแหละเมื่อราตรีที่แล้วมานายหญิงคงมีโอกาสได้พบปากกระพรานระพินแล้วไม่ได้สอบความกับเขาหรอกเหรอฉันถามเขาแล้วล่ะทาลุง เราคุยกันด้วยเรื่องสารพัดเท่าที่เวลาอันมีอยู่จํากัดจะอานวยให้ได้จนแทบจะลืมไปหมดแล้วว่าฉันได้สอบถามอะไรเขาไปบ้างแต่เมื่อได้พบท่านลุงเดี๋ยวนี้ก็อยากจะขอทราบในสิ่งที่ท่านลุงได้พบเหตุการณ์มาบ้างแล้วน่ะเอาละ่ะนายหญิงอยากจะทราบเรื่องอะไรก็เชิญสอบถามข้ามาได้เลยท่านลุงคะโปรดเล่าฉันฟังสิเล่าคร่าวๆก็ได้ ถ้าลุงพบกับพวกเขายังไงพบในลักษณะไหนแล้วมีเหตุการณ์อะไรบ้างในทันทีที่พวกเขาเห็นท่านลุงกับทหารที่ไปดักรอรับอยู่นะ่ะ <c oughs> พวกเขาได้ปีนไต่ทางกันขึ้นมาอย่างอ่อนเปลี้ยแทบจะสิ้นเรียวแรงข่ะและทหารทุกคนที่ไปรอรับอยู่นะ่ะอยู่ในที่ซุ่มเมื่อพวกเขาโดยการนําของพรานใหญ่ได้ก้าวขึ้นมาถึงหัวถนน พวกเขาก็ต่างลงนั่งพักไม่ป่าสนลักษณะของพวกเขาตื่นเต้นยินดีที่ค้นพบถนนแล้วก็มีอาการเหมือนจะพักนอนกันที่นั่นก่อนถ้าหากว่าฝ่ายเราไม่ปรากฏตัวออกไปก่อนเราปล่อยให้เขานั่งพักกันอยู่ชั่วครู่หลายคนลงนอนด้วยความอ่อนเพลียโดยเฉพาะคนผิวขาวชายหญิงสองคู่แล้วก็พวกแบกหามทั้งหลาย ระหว่างที่พรานใหญ่เอาแผนที่ออกมาดูเราก็เคลื่อนมาออกจากที่ซ่อนตีวงล้อมเขาเข้าไปทุกด้านทุกคนเว้นจากพรานใหญ่แล้วก็คนคู่ใจสี่คนเขาตกใจกันมากพลทลุกขึ้นเตรียมจะต่อสู้แต่พรานใหญ่ได้สกัดกัน้นห้ามปรามคณะเจ้านายของเขาไว้เมื่อเราตีวงล้อมเข้าไปใกล้จนประชิด ต, ตัวรอบด้านพรานใหญ่ แล้วค่าได้กล่าวทักทายกันด้วยความยินดีรวมทั้งพรานคู่ใจของเขาทั้งสี่คนนั่นด้วยเมื่อนั้นน่ะฝ่ายของคนผิวขาวและก็พวกแบกหามทั้งหมดจึงแน่ใจว่าพวกเราหนะคือมิตรพวกเขาตกตะลึงแล้วก็ตื่นเต้นดีใจมากพรานใหญ่ได้แนะนําให้พวกเขาได้รู้จักกับข้าพรหมเมตและก็บรรดาทหารทั้งหลายที่พรานใหญ่เคยรู้จัก เราได้ต้อนรับพวกเขาณตำแหน่งที่พบกันนั่นช่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้อาหารพวกเขาก็เล่าให้เราฟังว่าได้พยายามปีนไตเขาหาทางขึ้นมาเป็นเวลาสีวันแล้วจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทุกคนรวมทั้งพรานใหญ่ไม่ได้คิดหวังล่วงหน้าว่าการเหยียบขึ้นถึงหัวถนนพระศิวะของพวกเขาจะมีฝ่ายเรารู้ตัวล่วงหน้า แล้ได้ไปคอยดักรออยู่ก่อนแล้วจึงเมื่อพบเราอันเป็นเจ้าของแผ่นดินรอให้การต้อนรับอยู่ก่อนเช่นนั้นเขาก็พากันปิีติยินดีมากพรานใหญ่ได้สอบถามข้าถึงจักราธิราชแต่ข้าและทหารฝ่ายเราทุกคนไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกสิ่งใดไ ด, ได้นอกจากอ้างองการรับสั่งให้พวกเขาเร่งออกเดินทางในทันที โดยจัดเตรียมมาไว้ให้พร้อมแล้วนําพวกเขาออกเดินทางมาภายหลังจากที่นั่งพักอยู่ยังตำแหน่งนั้นชั่วระยะเวลาหนึง่งเราเร่งเดินเดินทางกันมาโดยตลอดและโดยเฉพาะเมื่อราตรีที่ผ่านมาเราไม่ได้หยุดพักแรมกันเลยออกเดินทางแม้ตะวันจะตกดินไปแล้วก็ตามแล้วก็ได้เข้าถึงพระนครในยามเที่ยงคืนจึงย่นระยะให้เร็วขึ้นอีก นิต่ักแรเมเมื่อคืนเราก็ต้องมาถึงภายในเที่ยงของวันนี้ซึ่งจะผิดพระราชประสงค์ขององค์จักรราชที่จะให้ฝ่ายของพรานใหญ่ได้เข้าถึงราชฐานมรกรนครเสียภายในราตรีที่ผ่านมาแม้ว่ามันจะดึกหน่อยก็ตามดารินพยักหน้าชา้าๆคำพูดของอรชุนก็ดูจะใกล้เคียงตรงกันกับคำบอกเล่าของรพินที่หล่อนได้รับทราบมาก่อนแล้ว จักรราชมีพระประสงค์อันใดเหรอท่าลุงถึงได้ให้พวกท่านเร่งการเดินทางของพวกเราเพื่อเข้าถึงมรกรกนครเสียภายในเมื่อคืนนี้นายหญิงก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วในข้อนี้อรชุนย้อนอย่างมีในแล้วจ้องที่ดวงตาของหล่อนหญิงสาวแสงวางหน้าเฉยกล่าวถามต่อไปอีกว่า และท่าทีของพวกเขารวมทั้งนายรพินด้วยพอจะรู้มาก่อนบ้างไหมว่าฝ่ายของฉันน่ะได้มาถึงแผ่นดินนี้แล้วเหมือนกันไม่มีใครเฉลียวคิดรู้ตัวมาก่อนร้อกนายหญิงและแม่ข่าจะรู้ข่าก็ไม่อาจจะบอกได้จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะได้มาพบเห็นกันเองในราชฐานที่นี่ท่านลุงในความรู้สึกของท่านลุง ท่านลุงว่าเจ้านายใหม่ของพรานระพินโดยเฉพาะพวกคนผิวขาวนะเป็นยังไงมั่งพวกเขาก็พยายามจะเป็นมิตรทีดีกับเรานะแล้วก็มีความระมัดระวังตัวมากที่จะไม่ทำสิ่งใดให้ผิดแบบแผนประเพณีของเราข้าเข้าใจว่าพรานใหญ่ระพินคงมีการนัดแนะสิ่งอันควรแก่พวกเขาไว้ก่อนบ้างแนละ้ว ก่อนที่จะเหยียบขึ้นถึงหัวถนนพระศิวะอันเป็นดินแดนของเรานี่และพวกเขาทั้งหมดก็ดูจะเชื่อมั่นไว้วางใจพรานใหญ่ระพินดีมากในความสามคัคคีกันดิดารินลอบถอนใจยาวออกมาอย่างปลอดโปร่งโล่งอกชั่วไม่นานของการเดินทางกันมาเป็นขบวนคณะทั้งหมด ภายใต้การนำของอรชุนและทหารกลุ่มนั้นก็เหยียบย่างเข้าสู่เขตท้องพระโรงกว้างใหญ่ไพศาลอันเป็นที่ออกว่าราชการแผ่นดินและเป็นสภาประชุมของเหล่ามุขมนตรีทั้งหมดก้าวลงจากหลังมาเมื่อถึงเขตทวารอันมีทหารถืออาวุธเฝ้ายามอยู่อย่างเคร่งครัดเดินผ่านลานหินกว้างขึ้นสู่บันไดอันนำขึ้นไปยังราชมนตรีกลางมฮมา วิจิตบัรจงไปด้วยศิลปะของสถาปัตยกรรมอันสูงศักท้องพระโรงหินอ่อนปูลาดไว้ด้วยพรมสีมรกตที่ทุกคนทานทวานเข้ามาเป็นด่านสุดท้ายเลลับลิปเข้าไปเห็นบันลังอันตั้งอยู่สูงตรังงานภายใต้มาุระฉัตรแวดล้อมไปด้วยเครื่องสูงของมหากษศัตริ์ ผนังศิลาเบื้องสูงด้านหลังของที่ประทับคือรูปแกะสลักของจุริยเทพอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ประจำราชวงศ์ทั้งสองด้านของท้องพระโรงจะทะลุเชื่อมต่อไปยังบริเวณส่วนใดบ้างไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยว่ามีวิสูตรขนาดใหญ่สีแดงคลิปทองกั้นไว้บนอาสนะหรือบัลลังก์ทองนั้นยังว่างเปล่าแต่บริเวณพื้นท้องพระโรง มีเหล่าอัมาตยราชมนตรีในชุดเครื่องแต่งกายหลากสียืนเรียงรายกันอยู่สองฝั่งฟากเหมือนจะวางแถวเป็นระเบียบอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นวี่แววของระพินและคณะของเขาปรากฏอยู่ณที่นั้นด้วยเลยระหว่างที่อรชุนและทหารใหญ่หกคนทำหน้าที่นำคณะของเชษฐาเดินใกล้หน้าบันลังเข้าไป โดยผ่านเหล่าราชมนตรีชั้นสูงเหล่านั้นเข้าไปคนเหล่านั้นซึ่งบางคนก็คุ้นหน้ากับฝ่ายของเชษฐามาก่อนบ้างแล้วต่างก็กม้มศีรษะให้ในลักษณะทักทายคาราวะแต่ก็ไม่เอ่ยปากคำใดออกมานอกจากจะอยู่ในอาการสงบสำรวมที่สุดอรชุนก็นำคณะทั้งหมด16คนของฝ่ายเชษฐา เข้ามาหยุดยืนเป็นกลุ่มอยู่ทางด้านซ้ายของบัรลังอันว่างเปล่านั้นคงมีก็แต่ชาวพนักงานอันเป็นสตรียืนประจำอยู่ที่ด้านหลังของอาสนะข้างละสองนางความโอรานยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้ขยินนานอินและพวกลูกหาบทั้งหลายพากันประมาขาสั่นกันไปหมดยืนตัวแข็งได้แต่สายสายตาลอกแหลก มองไปรอบๆได้อาการอันตื่นตะลึงในความงดงามประการตาของทองพระโรงส่วนเชษฐาอนุชาชายันและดารินซึ่งยืนเรียงหน้ากระดานอยู่ในแถวหน้าพากันจ้องมองไปทางบันลังอันว่างเปล่าแล้วเหลือบไปทางอรชุนเหมือนจะถามแต่เห็นอรชุนยืนสงบนิ่งอยู่โดยไม่ได้หันไปสบตาด้วย จึงได้แต่มองตากันเองอยู่ไปมาภายในสถานที่นั้นเงียบสงบนักบัต น, นักเองก่อนที่ฝ่ายเชษฐาจะมีการเคลื่อนไหวหรือกระซิบพูดคำใดแก่กันก็ปรากฏมีเสียงคล้องชัย ดังกังวานกระหึมขึ้นสามครั้งติดติดกันวิสูดสีเงินยวงด้านหลังซีกซ้ายของบรรลังแวกออกแล้วชาวพนักงานในเครื่องแต่งกายเต็มยศก็ก้าวออกมายืนเด่นพร้อมประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังไปทั่วว่า มหาราชินีสเสด็จออกสิ้นกระแสเสียงประกาศดังนั้นแล้วชาวพนักงานผู้นั้นก็เลี่ยงไปยืนอยู่ริมด้านหนึ่งของพื้นอันยกสูงบนแท่นประดิษฐานบันลังพร้อมทั้งก้มกายโค้งต่ำลง ร่างเพียวระหงสูงสง่าในชุดสเสวยระภูษาอันกอบด้วยแพรพพิ้วยาวราวกาหางหงก้าวออกมาจากช่องที่วิสูดเผยเยอออกนั้นอย่างแช่มช้ามีนางข้าหลวงตามเห็นออกมาด้วยสี่คนเนื้อเสียนอันตั้งเชิดเด่นอยู่บนอังศะลาดงามประดับไว้ด้วยมงกุฎเพชร แกมแก้วเก้าสองประกายวาวระยับยิบนางผู้นั้นมีความงามสง่าเป็นยิ่งนักงามทั้งสรีระอภรร์เครื่องประดับและท่าทีอากับกิริยาที่เยืองย่างยุระญาติเยี่ยงนางกษัตริย์อย่างแท้จริงขุนพลอรชุนเหล่าทหารทั้งหลาย และข้าราชบริพารที่ยืนอยู่ในท้องพระโรงในขณะนี้พากันโค้งกายลงถวายคำนับโดยพร้อมเพรียงกันหมดเมื่อนางได้ย่างบาทออกมาประทับยืนเด่นอยู่หน้าราชบัลลังก์พร้อมด้วยเนตรอันเป็นประกายคมวาวและริมโอที่พเยอ้อเหมือนจะแยมเยื่นน้อย คงมีก็แต่คณะของเชษฐาทั้งหมดทุกคนเท่านั้นที่ได้แต่พากันยืนตะลึงยังทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะรังสีแห่งพลานุภาพและบารมีแห่งนางผู้ปรากฏกายขึ้นนั้นส่งอำนาจสะกดไปทั่วทุกขุมขนขณะจิตต่อมาภายหลังสางจากอาการตกตะลึง และโดยไม่ต้องนัดแนะบอกเตือนกันเลยเชทิทาอนุชาชายันก็ ก, ก้มศีรษะลงถวายคำนับช้าๆพร้อมกันส่วนดารินย่อกายลงแบบถอนสายบัวหนานอินขยินและพวกลูกหาบทั้งหลาย หากันสุดตัวลงนั่งราบกับพื้นเอาเฉยๆโอทของนางแย้มกว้างออกไปอีกจนเห็นไรทนเนตทั้งคู่จับนิ่งมาย่างคณะของอาคันตุ ก, กะแล้วโบกมือขึ้นช้าๆพร้อมกับกระแสเสียงที่ใสกังวาโปลดยืนขึ้นตามสบายทุกท่าน บรรดาขุนทหารและราชมนรีทั้งหลายที่ก้มตัวนิ่งอยู่ได้ยืดกายขึ้นตามเดิมฝ่ายของเชษฐาก็เงยขึ้นอีกครั้งเช่นกันส่วนพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายของคณะผู้มาเยือนแผ่นดินมรกรนครยังคงนั่งแปะติดพื้นกันอยู่นางสวนน้อยน้อยพลางชีด้ดัชนีมากำชับด้วยน้ำเสียงดุน้อยน้อยว่า ข้าสั่งให้ยืนขึ้นได้ยินหรือไม่เมื่อนั้นนานอินและขยินจึงหันไปสะกิดบอกพักพวกแล้วพากันกระย่องกระแยงพยุงกายขึ้นยืนด้วยอาการหายใจไม่ทั่วท้องเหลียวหน้ามองดูกันเองแล้วยิ้มแย่สาวน้อยเมยานีผู้อยู่บนหลังม้าสึกที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อน มหาราชินีเมญานีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอันประทับยืนอยู่เหนือแท่นหน้าราชบัลลังก์ขณะนี้แต่ต่างกันมากมายนะักสถานที่นี้รวมทั้งบุคคลที่อยู่ณที่นี้หาใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับพวกท่านเลยไหมท่านผู้มีบุญคุณอยู่กับราชวงศ์เทพ ฉะนั้นข้าจึงอยากจะให้ทุกท่านทำตัวให้สบายให้เหมือนกับอยู่ในบ้านของท่านเองมันจะไม่มีวันนี้ของมรกรนครที่นี่ถ้าหากชาวมรกรนครทั้งหลายไม่ได้รับการช่วยเหลือร่วมมือจากเหล่าท่านผู้มีน้ําใจอันโอบอ้อมอารีและมีความเป็นธรรมะอยู่ในหัวใจ รวมทั้งความกล้าหาญเสียสลักเชฐาอนุชาชายันและดารินยังคงเงียบกริบสมเด็จพระเจ้าจาั ก, กราธิราชมีได้ประทับอยู่ณที่นี่ด้วยข้าในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ตามพระบรมราชโองค์การแต่งตั้งและในฐานะราชินีแห่งอาณาจักรนี้จึงขอปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ไปพลางๆก่อนนางได้มีกระแสเนิบๆราบเรียบต่อไปแล้วเบือนพักไปทางขุนพลเท่าท่านพ่ออรชุน พระเจ้าค่าอรชุนขานรับเสียงต่ำหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างตามพระบรมราชโองการได้สำเดอได้ดำเนินไปเป็นที่เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยหมดสิ้นทุกประการแล้วพระเจ้าค่านางพยักพักลงน้อยๆ อ, อย่างพอพระทยัย โอดงามพรายไปด้วยรอยยิ้มสมจินฉะนั้นก็ดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาล่าช้ากันอีกต่อไปจงนำตัวพรานใหญ่ระพินไทรวันและคณะของเขาให้เข้ามาปรากฏตัวได้ณนะบัดนี้ส่วนข้าจะขอตัวปรีกออกไปก่อน เพื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะได้พบปะเสวนาปราศัยซึ่งกันและกันตามอัธยาศัยโดยไม่ต้องกังวลว่ามีค่าอยู่ณที่นี้ด้วยอีกสักครู่ค่าจึงจะออกมาร่วมปรึกษาหารือด้วยในเรื่องของธุรกิจสำคัญระหว่างนี้ขอให้ท่านพ่ออรชุนรับภาระประสานงานให้แก่ทั้งสองฝ่ายด้วย สิ้นกระแสเสาวนีของนางพญาแห่งม ร, รกฎนครเพียงแค่นั้นนางก็ผินวรกายกลับเสด็จดำเนินเข้าไปยังช่องวิสูตรที่ก้าออกมานั้นอย่างสงบโดยมีนางกำนันทั้งสี่ตามกลับเข้าไปเช่นเดิมเป็นการปรากฏองค์ออกมาปราศัยให้การรับรองต้อนรับคณะอาคันตุกะแขกเมือง อย่างเป็นทางการและมีองค์การรับสั่งกล่าวมุขมนตรีในราชภารกิจเพียงระยะเวลาอันสั้นๆเท่านั้นโดยมิได้แม้แต่จะยอนพระองค์ลงประทับบนแท่นบันลังเลยทันทีที่นางได้รับบรากายออกไปจากพระที่ผู้เฒ่าอรชุนได้ยกมือขึ้นนิดนึง เหมือนจะส่งสัญญาณไปทางทหารที่รักษาการอยู่ยังริมทองพระโรงรอบนอกแล้วของสัญญาณก็ดังกระหึมขึ้นอีกครั้งขณะเดียวกันพรมเมตก็ก้าวเข้ามายังคณะของคุณชายเชษฐาที่ยังยืนรวมกลุ่มกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบนัก ด้วยสีหน้าอัญยิ้มแยม้มด้วยอัธยาศัยไมยตรีและกอบไปด้วยความคาระวะพร้อมกับเอ่ยขึ้นกับท่านหัวหน้าคณะว่าท่านผู้เจริญและเป็นที่คาระวะแก่อาณาจักรมรกรนครทุกท่านบัตรนี้พรานรพินและคณะของเขาทั้งหมดกำลังเคลื่อนเข้ามายัางท้องพระโรงชัยแห่งนี้แล้ว เพื่อได้พบปะกับเหล่าท่านทั้งหลายตามพระราชสวนีของมหาราชินีขอเหล่าท่านได้เตรียมกายเตรียมใจที่จะได้พบเห็นกับฝ่ายของเขาได้ณนะบัดนี้เถิดพวกเขากําลังจะเข้ามาทางทวารทางด้านฝั่งขวามือของพวกท่านและเป็นพระราชประสงค์โดยตรงขององค์มหาราชินีที่จะให้ท่านทั้งสองฝ่ายได้พบปะกัน ตามสบายกลางราชฐานมรกฎนครโดยให้ถือเสมือนว่าราชฐานแห่งนี้เป็นที่ระโหฐานและเป็นการส่วนตัวอย่างแท้จริงโดยมิพักต้องคำนึงถึงว่าท่านทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความกังวลต่อสิ่งใดเพราะเหล่าพฤธามาตราชมนตรีที่เฝ้าประชุมแวดล้อมกันอยู่ในท้องพระโรงแห่งนี้จะปริกายออกไปโดยหมดสิ้น ถ้าจะมีเหลืออยู่ก็เพียงฝ่ายทหารที่เหล่าท่านรู้จักคุ้นเคยมาก่อนแล้วเท่านั้นขอท่านทั้งหลายจงทำตัวให้สบายเสมอว่าท้องพระโรงแห่งนี้คือสถานที่อันเป็นส่วนตัวของท่านทุกอย่างเชฐายิ้มตอบให้แกพรหมเมตทุกคนของฝ่ายเขาขณะ น, นี้กำลังเต็มไปได้วยความตื่นเต้นระทึกใจ เราทุกคนขอขอบพระไทยมห า, ร า, า, าราชินีท่านผู้เฒ่าอรชุนท่านพรมเมฆและชาวมรกตนครทุกคนที่จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราอย่างดีเยี่ยมแต่เราไม่อาจจะทราบว่าขณะนี้พรานรพินกับคณะของเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาไม่ได้มาในห้องในท้องพระโรงแห่งนี้ก่อนแล้วหรอกเหรอ พระเมธคงยิ้มละไมยอยู่เช่นนั้นพรานรพินและคณะของเขาได้มาถึงที่นี่ก่อนหน้าฝ่ายของท่านแล้วและได้ถูกกําหนดให้รอคอยอยู่ก่อนยังศาลานิ ม, มานรดีถัดจากท้องพระโรงนี้ออกไปไม่ไกลนะักมหาราชินีมีพระราชประสงค์โดยตรงที่จะให้ฝ่ายท่านได้มาถึงพร้อมกันยังทองพระโรงแห่งนี้สัก่อน จึงจะให้ฝ่ายเขาเข้ามาปรากฏตนภายหลังและบัดนี้พวกเขาก็กําลังมาแล้วเชษฐาพยักหน้าอย่างเพิ่งจะเข้าใจแล้วออกคำสั่งให้ฝ่ายของตนขยายแถวยืนเป็นหน้ากระดานสองแถวหันหน้าไปทางด้านขวาของท้องพระโรงทันทีแถวหน้ามีตัวเขาเองผู้เป็นหัวหน้าคณะยืนเด่นอยู่ตรงกลางขนาบซ้ายและขวาด้วยดารินและอนุชาคนละด้าน ถัดไปเป็นขยินชัยยันส่วนอีกด้านหนึ่งคือหนานอินรวมเป็นแถวหน้าด้านรวมเป็นแถวด้านหน้าหกคนส่วนแถวหลังคือในชวนและพวกลูกหาบอีกเกคนรวมแล้วเป็นสิบหกคนครบจุดพวกราชมนตรีเสนาพฤทามาทั้งหลายประมาณห0สิบคนที่ยืนเรียงรายอยู่ในท้องพระโรงอันกว้างใหญ่เหล่านั้น พากันถอยหลังหลบออกไปคนละด้านอย่างเงียบสงบเพื่อให้สถานที่แห่งนั้นเป็นที่โปรง่งโลง่งเหมือนจะเป็นเขตส่วนตัวโดยเฉพาะคงเหลือแต่เฉพาะในทหารใหญ่ร ะ, ร ะ, ระดมระดับคุมกำลังอันล้วนคุ้นหน้ากันอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นขนาดจิตต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าของทหารย่ำพื้นเป็นจังหวะเดินพรึบพรึบพรึบใกล้เข้ามา ทางด้านประตูใหญ่ขวามือของท้องพระโรคที่คณะของเชษฐากำลังยืนตั้งแถวหันหน้าไปทางด้านนั้นแล้วม่านขนาดใหญ่ที่กั้นไว้ก็คลี่แยกออกจากกันเป็นช่องทางกว้างสุกรีและทหารหมู่หนึ่งนำหน้าเข้ามาก่อนติดตามมาด้วยรพินไพรวันและคณะนายจ้างทั้งหมดของเขาซึ่งขณะนี้ยังมองไม่เห็นถนัดว่ามีใครบ้าง รวมทั้งขบวนลูกหาบเคลื่อนเข้ามาในทองพระโรงสายตาทุกคู่ของฝ่ายเชิดาพุ่งจับไปยังกลุ่มนั้นเป็นตาเดียวอย่างกระหายที่จะได้พบเห็นสาสมกับที่ได้มุ่งหมายมาเป็นเวลานานโดยแทบจะสิ้นความหวังไปแล้วสุกรีและกลุ่มทหารที่นำหน้าขบวนเหล่านั้นเข้ามาเมื่อเข้าก้าวเข้ามาถึงเป็นชุดแรกก็หยุดพรึบพร้อมกัน แสดงอาการเคารพอย่างพร้อมเพรียงต่อคณะของเชิฐาแล้วก็แยกแถวเปิดทางออกเดินเข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับพวกขุนทหารที่ยืนกันอยู่เป็นระเบียบก่อนแล้วในทองพระรถพระพินไพรวันซึ่งทุกคนของฝ่ายเชิดาได้มีโอกาสพบปะมาก่อนแล้วเมื่อตอนใกล้รุ่งที่ผ่านมาเดินด้วยอาการปกติสอนแววปรีดาปราโมดไว้ภายใต้สีหน้าอันวางเรียบเฉย เขานำเข้ามาโดยตามติดมาเป็นขบวนด้วยคณะของฝ่ายนายจ้างกลุ่มพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบซึ่งครั้งแรกก็ไม่ได้เข้าแถวกันเข้ามาเป็นระเบียบอะไรนะักแต่เมื่อต่างได้ล่วงเข้ามาถึงภายในท้องพระโรงแล้วทั้งหมดก็กระจายแถวกันออกโดยมีจอมพรานยืนอยู่ตรงกลางตำแหน่งตรงกันกับเชศดาที่ยืนรอยอยู่ก่อนแล้วทางด้านขวาของเขาเป็นกลุ่มนายจ้างทั้งหมด เริ่มด้วยสเตลลีคีดเชิดบุตรเบลและก็คริสส่วนทางด้านซ้ายเป็นกลุ่มของพลานพื้นเมืองคู่ใจของเขาทั้งสี่เริ่มด้วยบุญคำจันเกิดและก็เสยสสำหรับแถวหลังก็เป็นลูกหาบอีก1ิบคนเช่นกันคือนายตาหัวหน้าลูกหาบอุทะพะโต้และพวกน้องน้ำแห้งอีกเจคนรวมเป็น20สครบชุดไม่มีใครขาดหายเลย แวบแรกที่ฝ่ายของเชษฐาเห็นเมื่ออีกฝ่ายขยายแถวยืนประจันหน้าโดยมีระยะห่างกันเพียงห้าหเมตรซึ่งต่างฝ่ายต่างหันหน้าเข้าหากันนั้นแถวหน้าของฝ่ายระพินสิบคนส่วนแถวหน้าของเชษฐา6คนสําหรับแถวหลังนั้นมีจํานวนสิบคนเท่าๆกันและฝ่ายของระพินที่เพิ่งจะปรากฏกายเข้ามาณนะบัตนี้ ก็ติดอาวุธประจำตัวสะพายไหลหมดทุกคนเช่นกันยกเว้นไม่มีสัมภาระมาด้วยเท่านั้นทั้งสองฝ่ายที่อยู่ในลักษณะยืนเรียงแถวประจันหน้าห่างกันระยะใกล้ๆซึ่งมองเห็นกันอย่างถนัดทนีที่สุดยามนี้ต่างฝ่ายต่างจ้องประสานสายตาและสำรวจซึ่งกันและกันด้วยความรู้สึกอันสุดที่จะตื่นเต้นยินดีและยังไม่สามารถจะมีปฏิกิริยาการเคลื่อนไหว หรือเอ่ยเอื้อนคำใดออกมาได้ก่อนโดยต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบกริบกันไปชั่วขนาดจิตหนึง่งได้แต่ใช้สายตาสำรวจตอบโต้กันไปมาในลักษณะตะลึงงงเท่านั้นใครจะมองไปที่ไหนนั้นดารินวราฤทธิ์ไม่อาจจะทราบได้แต่สำหรับตัวหลอนเองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมองไปที่รพินอีกเลยในขณะ น, นี้เพราะเนื่องจากเพิ่งได้พบกันด้วยเวลาที่เปรมปลื้มชื่นช่ นานพอสมควรเมื่อใกล้รุ่งที่ผ่านมาสายตาของหล่อนชำเลืองแวบแรกไปที่ลูกน้องคู่ใจของระพินสี่คนคือบุญคำจันเกิดและเรยเมื่อเห็นว่าทั้งสี่คนอยู่ครบพร้อมหน้ายืนเบิกตาจอ้องอ้าปากค้างมายังทางฝ่ายของหล่อนยังดีใจขีดสุดหลอนก็ละความสนใจเสียช่วขณะ ก, ก่อนกว่าตามมาทางฝ่ายนายจ้าง ที่ยืนเรียงแถวหน้ากระดานทางด้านขวามือของระพินเป็นลําดับทันทีคนแรกบินสเตลลี่อเมริกันหัวหน้าชุดอันเป็นชายวัยกลางคนลักษณะของเขาเหมือนรูปถ่ายจากประวัติที่หลอนได้ไว้ก่อนท่าทางใจดีและเป็นมิตรคนที่สองลารี่คีดรูปร่างสูงใหญ่ขณะนี้ผมยาวผิดไปจากรูปถ่าย ลักษณะไม่ผิดอะไรกับที่รพินได้บรรยายให้ฟังไว้ก่อนแล้วตามที่หล่อนสอบถามคนที่สามนายทหารไทยพันตรีเชิดบุตรหนุ่มหน้าตาดีท่าทางเฉลือ่อฉลาดและซื่อสื่อซึ่งขณะนี้กำลังเบิกตาโตจ้องมายังคณะของหล่อนด้วยลักษณะเหมือนกับปลาสำลักน้ำคนที่สี่อิสเบลสวดทรงและใบหน้าของหลอนผู้นั้น เหมือนสาวอเมริกันที่จัดได้ว่าหน้าตาดีๆทั่วทั่วไปคนหนึ่งและรูปร่างไม่บึบบับต่างกับที่เห็นในรูปถ่ายลักษณะของหลอนผายผอมและเกร็งขึ้นมากเหลือไว้แต่ดวงตาสีน้ำตาลเท่านั้นที่สอแววเจ้าชู้อย่างเปิดเผยดารินผ่านสายตาไปยังคนที่ห้าซึ่งขณะนี้ยืนจ้องประสานสายตามาที่หลอนคริสตินาะ ดารินพินิษหมดทุกสัดส่วนจากเส้นผมจรดปลายเท้าที่สวมท็อปเดินป่าแล้วก็ยอมรับกับตนเองอยู่ภายในใจที่พยายามกําหนดให้เป็นกลางและเป็นมิตรที่สุดว่าสตรีร่างสูงเพียวในตาคมกริบผู้นั้นไม่ใช่อเมริกันแท้แม้จะมีผมสีทองก็ตามดูผัดผาดว่าผอมแต่ทุกส่วนสัดของร่างกายเหมือนนักยิมนาสติก เพราแข็งเกร็งแข็งแรงปาดเปลี้ยวยิ่งจมูกปลายเชิดริมฝีปากเล็กบางคิ้วโดกยาวและดวงตาใหญ่เรียวครึ่งแขกครึ่งฝรั่งสะดุดตาโดดเด่นออกไปอย่างเห็นชัดไม่ว่าจะมองพาดหรือมองพิษอากับกิริยาการเคลื่อนไหวแม้จะเชื่องช้าแต่ก็เป็นการเชื่องช้าเนิบนาดแบบนางเสือดาว และบัตรนี้หล่อนผู้นั้นมีอาการจ้องพินิษ์อย่างตื่นตะลึงมาที่ดารินวราฤทธิ์คริสติน่าสูงกว่าเบลถึงเกือบช่วงสีสัะทั้งสองหญิงคู่นั้นสภพย M16 แบบคอมมันโดไว้บนไหล่ขวาปากลำกล้องทิ่มลงพื้นตัวปืนเสียบแมกกาซีนอะไรติดเอวซ้ายอยู่ในซองเข็มขัดอีกคนละสองแมก ระยะเวลาแห่งกา ร, รเผชิญหน้ามองกันไปมานี้จะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่มีใครบอกได้ทั้งสองฝ่ายมารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อขุนพลเท่าอรชุนได้ก้าวเข้ามายืนอยู่กึงกลางของหัวแถวแล้วประกาศด้วยเสียงห้าวดังว่าณนะบัตนีทั้งสองฝ่ายของพวกท่านได้มาพบกันแล้ว ใจกลางราชฐานแห่งมรกรนครจะไหนจึงพากันอึ้องอันตลึงตลายอยู่เราชาวมรกรนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายของพวกท่านคงจะมีความปลาปรืมยินดีและคงจะเป็นมิตรที่ดีซึ่งกันและกันตลอดไปทั้งวันนี้และวันแห่งอนาคต แน่นอนเราทั้งสองฝ่ายคือมิดทั้งวันนี้และวันหน้าตลอดไปดอกเตอร์สแตนลีประกาศกล้องขึ้นยังแจ่มใสชัดเจนพร้อมกับอาการหัวเราะน้อยๆแล้วกล่าวต่อมาว่อาอ้าวพระพินทำไมคุณยังไม่แนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับเพื่อนเก่าหรือเจ้านายเก่าของคุณที่อุตสาบากันมาตามคุณจนถึงที่นี่ให้พวกเราได้รู้จักไวหรือว่าจะให้พวกเราแนะนาตัวเอง พวกเรารู้กันหมดแล้วนะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคุณได้มาพบปากกระท่านเหล่านี้ก่อนแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อ น, นั้นระพินไครวันจึงขยับตัวเอานิ้วเคาะขมับอย่างมึนงงพร้อมกระเป๋าลมพลูออกจากริมฝีปากทุกท่านครับทั้งสองฝ่ายเขาพูดขึ้นรวมๆขณะที่ก้มศรีรษะคานับให้แก่ฝ่ายของเชษฐา และหันมาก้มศีสากคำนับให้แก่ฝ่ายของสแตนลีย์เมื่อตอนได้ก้าวออกมายืนขั้นอยู่ตรงกลางผมเองก็ไม่ทราบจะเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะทั้ง2ฝ่ายก็ต่างดูเหมือนจะรู้จักประวัติของกันและกันมาก่อนเป็นทุนเดิมแล้วและผมก็ยอมรับครับว่าเมื่อคืนนี้ผมได้มาพบกับฝ่ายเพื่อนหรือเจ้านายเก่าของผมมาก่อนน่ะทันเมื่อกลับไปหาคณะของเจ้านายใหม่ ท่านก็ได้สักถามทราบความจากผมหมดแล้วเช่นกันแต่ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เป็นการพบหน้ากันจริงๆแล้วใครเป็นใครผมเชื่อ ว, ว่าแต่ละฝ่ายคงจะทราบกันดีอยู่แล้วจึงอยากใ้ทุกท่านของทั้งสองฝ่ายได้ทักทายกันเองโดยไม่จําเป็นที่จะต้องให้ผมแนะนําเป็นรายตัวไปครับมันไม่ใช่เรื่องอยากเจนหรือประดักประเดิดอะไรเลยระพิน และก็เป็นความน่ายินดีอย่างที่สุดเมื่อเราทั้งสองฝ่ายได้พบกันทั้งทางที่แทบจะไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่เลยในความรู้สึกของฝ่ายเราที่ออกติดตามมาเอาละระพินคุณไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้นเราทั้งสองฝ่ายจะแนะนําตัวซึ่งกันและกันเองเชิดากล่าวขึ้นด้วยเสียงกังวานแล้วก้าวออกมาจากแถวเป็นคนแรกขณะเดียวกันสเตลลีก็ก้าวออกมาเช่นกัน ต่างส่งมือมาจับไว้และบีบแน่นพร้อมกระต่างยิ้มให้แก่กันด้วยไมตรีจิตจริงใจท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลกล่าวช้าๆชัดเจนต่อมาว่าผมรู้จักคุณดีพอสมควรมาก่อนนะครับด็อเตอร์สแตนลีย์รวมทั้งพวกคุณทั้งหมดด้วยครับเพราะก่อนที่จะออกติดตามมานั้นเรามีประวัติภูมิหลังพวกคุณเอาไว้ในมือแล้วทุกคนเอาละครับ ผมจะเป็นฝ่ายแนะนําให้คุณและทุกคนฝ่ายคุณได้รู้จักเราไว้ผมเองชื่อเชิดาวรารทิ์ครับชวนนั่นอนุชาน้องชายของผมถัดไปก็คือชัยยันและสุภาพสตรีคนเดียวที่มากับคณะของเรานั้นคือน้องสาวของพวกเราทุกคนครับเธอชื่อดารินวราฤิ์ครับสแตนลีหัวร่อราโอบกอดเชธธาาิดเาไว้ โดยแก่นแท้ใจจริงของพวกเราทุกคนเราไม่อาจจะบอกได้ว่าเราดีใจกันเพียงไหนที่ได้รับทราบข่าวว่าพวกคุณที่ติดตามมาได้มาถึงมรกรกนครแห่งนี้และก็รอคอยเราอยู่ก่อนแล้วและที่ต้องดีใจเป็นพิเศษก็คือได้ทราบว่าพวกคุณสิบหกคนที่มาด้วยกันในอยู่กันครบส่วนพวกเรา2ี่สิคนก็อยู่กันครบเช่นกันแม้ว่าในระยะต้นของการเดินทางเราจะเสียลูกหาไปสองคน แต่ก็ได้กระเหี่ยงสองคนมาแทนที่ครับจากการเริ่มต้นของหัวหน้าคณะทั้งสองฝ่ายเช่นนั้นกลุ่มบุคคลชั้นหัวหน้าของทั้ง2กลุ่มจึงก้าวออกมาทักทายจับมือและสวมกอดกันทีละคู่สลับกันไปจนครบหมดทุกคนความสับสนเริ่มเกิดขึ้นในกลุ่มบุคคลชุดนั้นทั้งหมดจากการสลับกันทักทายเป็นรายตัวในขณะที่รพินปลีกตัวออกมายืนอยู่นอกกลุ่ม ปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าพบกันเองตามอัธยาศัยด้วยความรู้สึกที่โปรงโลง่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเชิดวุธนนั้นกระโดดเข้าไปไหว้เชษฐาอนุชาช ย, ยันและแม้กระทั่งดารินด้วยความปีติยินดีขีดสุดซึ่งทุกคนก็ทักทายเขาอย่างเอ็นดูสนิทสนมแล้วกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไม่ควรที่จะต้องเสี่ยงชีวิตมาในครั้งนี้บุญคาเกิด เซยและจันกระโดเทลโลเข้าไปหาขยินและหนันอินก่อนอื่นส่งเสียงเออะเอตโรกันไปทั่วท้องพระโรงของมรกฎนครรวมทั้งพวกลูกหาบทั้งสองฝ่ายซึ่งแท้จริงก็คือญาติมิตรในหนองน้ำแห้งด้วยกันทั้งนั้นหรือมแม้กระทั่งอูทะพัโตก็หาใช่คนแปลกหน้าของกลุ่มพวกลูกหาบไม่ก็รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนแล้วทั้งสิ้นนายตากกับนายชวนซึ่งเป็นลูกผู้พี่ผู้น้อง น, นถึงกับกอดกันน้าตาไหล สำหรับพรานผู้คู่ใจของระพินทั้งสี่คนนั้นได้แต่ยกมือไหว้เจ้านายเก่าในขณะนี้ก่อนแต่ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาหาใกล้ๆเพราะเห็นว่ากลุ่มของเจ้านายยังทักทายผู้จ่ากันอยู่ทั้งทั้งที่บุญคำจันเกิดแล้วก็เสยมีความรู้สึกอยากจะเข้ามาอุ้มแห่เชิดถาอนุชาชายันและโดยเฉพาะนายหญิงดารินไปรอบๆแต่ตอนนี้ทาได้แค่โบกมือโวกเวกมาก่อน เสียงร้องทักนายหญิงในายใหญ่นายกลางนายทหารชัยยันเซ่ํำฟังไม่ได้สับไปหมดชัยยันและอนุชาระหว่างที่กอดทักกับคิดต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเราภาวนาอยู่ตลอดเวลาขอให้พวกคุณทุกคนปลอดภยัยและสำเร็จผลงานภายใต้การนำของระพินซึ่งคิดก็กอดคนทั้งสองแน่นคนละครั้ง พร้อมทั้งหัวเราะอย่างเปิดเผยเสียงดังลั่นไปหมดพวกเราสังหรณ์ตั้งแต่มาพักอยู่บนเนินพระจันทร์เลยล่ะว่าพวกคุณจะต้องมาตามพระพินแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาพบจริงๆยังดินแดนประหลาดมหัสจัน์นี่สำหรับดารินซึ่งยืนยิ้มยิ้ ม, มสงบท่าทีอยู่นั้นเมื่อสแตนลีและคิดเรียงหน้าเข้ามาขอจับมือด้วยหล่อนก็ส่งมือไปให้จับ ทั้งสองมองดูหลอนอย่างพินิษและชื่นชมจากจริงใจแล้วก็กล่าวสรุปท้ายการทักทายว่าคุณหญิงครับพวกเรารู้จักชื่อเสียงกิติศัพท์คุณหญิงมานานแล้วคุณหญิงดารินะคุณไม่เป็นแต่เพียงสุภาพสตรีที่กล้าหาญมีฝีมือแต่ยังเป็นคนที่งามทั้งด้านน้ำใจและสรีระพร้อมแล้วเราทุกคนก็ภูมิใจแทน ให้แกระพินไพยวันครับขอบคุณค่ะฉันดีใจที่ระพินนาพวกคุณทุกคนให้ปลอดภัยได้จนถึงที่นี่และฉันก็แน่ใจเช่นนั้นมานานแล้วนับตั้งแต่รู้ ข, ข่าวว่าเขารับนําทางให้แก่ฝ่ายคุณหล่อนตอบด้วยน้ําเสียงที่ต่ําลึกและกระเชิดบุตรนั้นเมื่อนายทหารหนุ่มเข้ามาพนมมือไหว้อย่างอ่อนน้อมหล่อนก็จับไหล่ทั้งสองของเขาวไว้เขย่าเบ า, เบ า, เบา บอกมาว่านี่น่าไปนักเชียพพอน้องชายคุณน่ะไม่น่าจะเอาชีวิตมาเสี่ยงในครั้งนี้เลยตายนะถึง 99.99% 99ทีเดียวนะคุณไอทางรอดมันแค่จ 0.1% เท่านั้นพวกพี่รู้จักคุณพ่อของคุณแม้จะไม่สนิทสนมนักก็ตามเชิดบุธยกมือไหว้อีกครั้งยิ้มแห่ง ผมมาตามหน้าที่หรอครับพี่หญิงไม่คิดมาก่อนเลยว่าขนทางมันจะร้ายกาจธุรกันดานเสี่ยงภัยถึงขนาดนี้ถ้าไม่ได้พี่ระพินมันคนนำทางผม่าคงตายกันไปหมดนานแล้วลครับคราวนี้ก็เหลืออิสเบลร์และคริสติน่าเท่านั้นที่จะถึงรอบเข้ามาทักทายกลัลอนเป็นสองคนคู่สุดท้ายดาริงยืนอมยิม้มจ้องตาไม่กระพริบอยู่ยังสองหญิงก่อนแล้ว ขณะที่เดินผ่านแถวของการทักทยายไลย่ตามลำดับมาจนใกล้จะถึงหล่อนในขณะที่มือหนึ่งโบกให้แก่พวกของบุญคำที่ตะโกนเรียกหล่อนอยู่โวกเวกเหมือนจะเป็นความหมายแทนคำตอบว่าขอเวลาเดียวให้เสรุราทางด้านนี้ซะก่อนเดี๋ยวก็คุยกันดารินสังเกตมาโดยตลอดระหว่างที่เบลและคริสติน่าทักทายกับพวกพี่ชายทั้ง3ของหลอนนั้น เบลภายหลังจับมือแล้วก็จะกอดทุกครั้งไปกิริยาร่าเริงแจ่มใสเต็มที่ทั้งขี่เล่นทั้งสุกโซนและพูดจอไม่หยุดปากส่วนคริสติน่าจะเข้ามาทักทายพวกพี่ๆของหล่อนอย่างสํารวมสุภาพมีอาการระมัดระวังตัวเต็มที่และพวกพี่ๆของหล่อนไม่ว่าจะเป็นเชษฐาอนุชาฤชยยันก็จะให้ความสนใจสังเกตคริสติน่าเป็นพิเศษด้วย ตลอดเวลาทั้งเบลและคริสจะลอบมองมาที่ดารินจนแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้สนใจกับสิ่งอื่นใดเหนือไปกว่านี้เลยนอกจากจะจ้องพิเคราะห์อยู่เฉพาะที่หล่อนเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ซึ่งก็เท่าๆกับดารินเช่นกันสําหรับเบลอยังไม่เท่าไรนะักสนทนาทักทายเย้าหยอกเล่นหัวกระทุกคนที่หล่อนเพิ่งได้มีโอกาสพบอย่างสนิทสนม แต่คริสติน่าไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปอยู่ที่ใดท่ามกลางความชุลมุนของการพบปะเสวนานี้สายตาจะปลายมาที่หล่อนและสบกันทุกครั้งในลักษณะรอบมองแต่เมื่อตาพบตาคริสติน่าก็หลบไปทุกครั้งเช่นกันบัดนี้ทั้งสองหญิงของฝ่ายอเมริกันถึงวาระแล้ว ที่จะเข้ามาทักทายหลอนและดารินวราริก็ยืนเอียงคอยยิ้มรอคอยอยู่ก่อนแล้วหลอนกำลังนึกทายอยู่ว่าระหว่างสองคนแม่ผมแดงและแม่ผมทองใครจะเข้ามาหาหลอนก่อนกันทั้งทั้งที่ตามคิวที่เดินเรียงกันเข้ามานั้นคริสติน่าควรจะต้องถึงตัวหล่อนแต่ในขณะนี้ คริสติน่ากำลังจับมือเขย่าอยู่กับชัยยันซึ่งมีการพูดจาติดต่อกันอยู่หลายประโยคทีเดียวและชัยยันก็ดูเหมือนจะไม่ยอมปล่อยมือคริสติน่าออกโดยง่ายดารินบอกกับตนเองอยู่ในใจว่าคริสติน่ามีอะไรต่ออะไรบนใบหน้าและเรือนร่างหน้าพิศมากกว่ามาเรียฮอฟมันจะอีกเป็นผู้หญิงที่สวยลึกอย่างน่าระแวงยังไงบอกไม่ถูก ที่ดารินกำลังนึกไว้ในใจไม่ผิดคริสติน่าดูเหมือนจะทวงเวลาพูดจาทักทายกระชัยยานา น, านผิดไปจากการพูดกับบุคคลอื่นอันน่าจะเป็นเจตนาโดยตรงของแม่ผมทองที่จะให้เบไปพบกับหล่อนสักก่อนและบัดนี้เบได้มาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของดาริน ห่างกันแค่ศอกเดียวจ้องตาเป๋งมาอย่างให้ความสนใจโดยเปิดเผยพร้อมกับอาการยิ้มกว้างส่งมือมาให้ช้าๆดารินเอื้อมมือไปสัมผัส ด, ด้วยเมื่อเบลบีบมือหล่อนแน่นกระชับหล่อนก็บีบตอบด้วยพลังที่เหนือกว่าหมอดารินพวกเรานะ่มีความรู้สึกเหมือนได้รู้จักคุณมานานแล้วแล้วก็คล้ายๆกับว่า มีคุณเดินทางร่วมกับคณะของเรามาโดยตลอดงั่นแหละดีใจแล้วก็เป็นสุขเหลือเกินที่ได้มาพบเห็นตัวจริงเบลกล่าวขึ้นกลัวไปกับอาการหัวเราะร่าเริงเช่นเดียวกันค่ะหมอเบลสิ่งที่จะเว้นซสนไม่ได้ในทันทีที่มีโอกาสได้พบคุณก็คือขอขอบคุณอย่างมากในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ดูแลเอาใจใส่ต่อรพิน์ทุกขณะที่เขาล้มป่วยลง ฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงทีเดียวอเมริกันสาวทำตาโตหัวเราะดังขึ้นอีกทำเสียงสูงโ อ, โอ้คุณอาจรู้แต่คงไม่อยากพูดเองมั้งว่าพวกเราทุกคนต่างหากที่ได้รับการช่วยเหลือและช่วยรอดชีวิตมาได้จากฝีมือของคนคนนั้นจนนับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ถึงแม้ฉันเองจะเป็นแพทย์ประจาคณะ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงจะต้องดูแลทุกคนของพวกเราก็จริงแต่บางขณะฉันเองก็ยังต้องเป็นคนเจ็บคนป่วยและยังต้องฝากชีวิตไว้ในความดูแลรักษาแบบปฐมพยาบาลของเขาซึ่งเขาเองก็มีความสามารถมากทีเดียวในเรื่องนี้โปรดจะได้พูดถึงเรื่องนี้เลยเรามาด้วยกันต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันแต่เรานะี่ยเป็นฝ่ายที่พึ่งเขาใช่มากกว่าที่เขาจะต้องพึ่งเรา ไม่เพียงแต่จะเป็นพรานนำทางชั้นเลิศเท่านั้นะนะเขายังเป็นสุภาพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่จริงๆในทุกด้านด้วยดารินพยักหน้าลงนิดหนึ่งยิ้มมุมปากค่ะฉันมีความมั่นใจเช่นนั้นอย่างเต็มเปี่ยมคณะของคุณโชคดีมากค่ะฉันคาดหวังอะไรไว้เกี่ยวกับตัวคุณคลาดเคลื่อนไปหน่อยนะหมอดารินอะไรเลยครับก็ คิดไว้แต่แรกเพียงแค่ว่าคุณน่าจะเป็นคนสวยน่ารักอ่อนหวานอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อได้พบเห็นตัวจริงอย่างนี้แล้วฉันไม่คิดว่าที่ซ่อนไว้ในความสวยงามและความน่ารักนั้นคุณยังเต็มไปด้วยความแข็งแกรง่งเด็ดเดี่ยวแล้วก็เฉียบขาดยิ่งกว่าผู้ชายอีกหลายๆคนทีเดียวพร้อมกับพูดเบลี่ตาให้นิดนึงดารินหัวเราะเบา ตรงข้ามกับความจริงไปมากค่ะสำหรับความรู้สึกของคุณน่ะฉันเองฉันเป็นคนอ่อนแอและก็ไม่มีอะไรที่เด็ดเดี่ยวเลยถ้าสามารถเป็นได้อย่างที่คุณพูดฉันก็คงไม่ต้องติดตามเข้ามาในครั้งนี้หรอกมันเป็นเพราะความอ่อนแอของจิตใจฉันที่ไม่รู้จักหักห้ามยับยั้งไว้สำหรับคุณคุณเป็นคนสดใสาราเริงน่ารักมากนะคะหมอเบยเราคงเป็นเพื่อนกันได้นะ อ๋แน่นอนค่ะดารินตอบคําและเราก็คงจะมีโอกาสได้คุยกันมากกว่านี้ด้วยนะหมอดารินค่ะฉันก็ปรารถนาไว้เช่นนั้นค่ะหมอเบลเอจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะจูบคุณเบลถามยิ้มยิ้มแทนคําตอบดารินดึงแม่ผมแดงเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนของหล่อนเบลจูบที่แก้มซ้ายและขวาของดารินอย่างเร็วแรงข้างละครั้ง เอามือตบหลังดารินเบาๆแล้วผลักออกซึ่งก็เป็นเวลาพอดีกันกที่คริสติน่าได้มาหยุดยืนใกล้ๆแล้วรอยยิ้มอะไรชนิดหนึง่งผ่านแวบไปในดวงตาของเบลพลางถอยห่างออกไปก้าวหนึ่งแต่ก็ยังยืนเหมือนจะสังเกตท่าทีอยู่ใกล้ๆสองสาวต่างผิวที่ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกันเงียบๆมาแต่แรกขิน ชนิดที่เป็นพิเศษออกไปเหนือกว่าความสนใจอันมีให้แก่ใครอื่นขณะนี้มองประสานสายตากันในระยะใกล้ประกายตาของแต่ละฝ่ายต่างอยู่ในความหมายช ง, งนและค้นหาคริสติน่าหน้าซีดลงนิดหนึ่งแต่ก็ชว่วิบตาเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็อยู่ในสภาพปกติให้คริสดารินเป็นฝ่ายทักขึ้นก่อนเบา และเป็นฝ่ายส่งมือไปให้คริสติน่าจับมือหล่อนทั้งสองมือมือละข้างสัมผัสของแม่ผมทองนุ่มนิ่มอ่อนโยนต่างไปกว่าเบลมากซึ่งเป็นรงข้ามกับลักษณะท่าทางปราดเประยะียวและฝ่ามือก็ค่อนข้างจะเย็นคุณหญิงดารินน้ำเสียงของคริสติน่าเบาก็จริงแต่ชัดเจนยิ่งนักยิ้ม จ, งจาง ฉันอยากจะบอกว่าฉันเคยรู้จักคุณหญิงมาก่อนในความฝันและเมื่อได้มาพบกับความจริงเช่นนี้ไม่มีลักษณะอะไรที่แตกต่างกันไปเลยทั้งน้ำเสียงอากับกิริยาท่าทีและแววตาคู่นั้นไม่ทราบว่าคุณหญิงจะเชื่อฉันหรือเปล่าดารินพยักหน้าน้อยๆ ย, ยิ้มพลายบีบมือทั้งสองข้างของคริสติน่าเบา คริสฉันก็ฝันเห็นคุณบ่อยที่สุดนะและในฝันฉันเป็นผู้ที่ขอร้องขอฝากกระพินไว้กับคุณด้วยซึ่งคุณก็รับปากกับฉันอย่างมั่นคงที่สุดเราไม่ใช่คนแปลกหน้ากันเลยนะทั้งๆ ท, ที่ในโลกของภูมิศาสตร์เราไม่เคยได้พบหน้ากันมาก่อนด้วยซ้ำนอกจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกเสียงของดารินแผวเหมือนกระซิบ คุณหญิงคะฉันฉันดีใจที่พบคุณตัวจริงอะ่นะณตำแหน่งที่ขุนเขาจรดขอบฟ้าแห่งนี้แล้วก็ดีใจที่สุดแทนให้กระรพินด้วยไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นหรอกนะคะที่ภาวนาร่ำร้องเอาไว้ในเรื่องนี้ฉันเองฉันเองก็ภาวนาเหมือนกันแล้วก็ภาวนาไม่น้อยไปกว่าที่เขาที่จะให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมา ก่อนที่ฉันจะเห็นเขาล้มลงไปสิ้นลมหายใจด้วยความทุกข์ระทมเพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่สุดของชีวิตของเขาเขาล้มไปหลายครั้งหมดสติเพ้อพกอยู่หลายคราวฉันขอยืนยันนะคะคุณหญิงดารินว่าเขาจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อคุณหญิงอย่างชนิดที่จะหาไม่ได้อีกแล้วในความรักชนิดนี้จากผู้ชายคนไหนทั้งสิ้น